ตอนที่หนึ่ง้อยเธอเคยเรียนมาก่อนใช่ไหมการเลือกแพทย์แผนจีนแน่นอนว่าเหตุผลหลักคือความชอบเข้ามเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วแพทย์แผนจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าสําหรับหนูแล้วมันมีเสน่ห์มากกว่าคะหลี่หวานกล่าวด้วยน้ําเสียงเรียบเรื่อยไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนจีนหรือแพทย์แผนปัจจุบันขอเพียงรักษาโรคให้คนไข้หายได้ก็ถือว่าเป็นหมอที่ดีทั้งนั้นในแง่ของคุณสมบัติแล้วจริงๆก็ไม่ต่างกันมากค่ะ ศาสตราจารย์เจียงมองหลี่หวันด้วยสายตาชื่นชมเธออายุยังน้อยแต่ความคิดกลับไม่ไร้เดียงสาเลยแม้แต่น้อยหรืออาจจะเรียกได้ว่ามีความคิดความอ่านดีกว่านักศึกษาคนอื่นๆในที่นี้ที่อายุมากกว่าเธอเสียอีกดีพูดได้ดีมากศาสตราจารย์เจียงพยักหน้าเบาๆเมื่อเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วแพทย์แผนจีนมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากกว่าหวังว่าทุกคนจะเรียนรู้อยู่ที่นี่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้คนในอนาคตเสียงปรบมือดังขึ้นจากนั้นศาสตราจารย์เจียงก็เริ่มแจกตำราเรียน ตำราเรียนแพทย์แผนจีนวางซ้อนกันสูงจนถึงหน้าแข้งของผู้ใหญ่แถมเนื้อหาข้างในยังอัดแน่นไปด้วยตัวอักษรยิบยับทำเอาทุกคนถึงกับควนผวาศา ส, สตราจารย์ครับเนื้อหาพวกนี้ต้องจําให้ได้ทั้งหมดในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยเลยเหรอครับศา ส, สตราจารย์เจียงเลิกคิ้วขึ้นคิดอะไรอยู่ก่อนจะเปลี่ยนน้าเสียงเนื้อหาพวกนี้ต้องจําให้ได้ทั้งหมดภายในปีหนึ่งส่วนปีสองปีสามยังมีเนื้อหาความรู้อื่นๆที่ต้องเรียนอีหหา เสียงอดครวนดังระง ม, มไปทั้งห้องเรียนไม่ต้องมาอดครวนให้ฉันได้ยินในเมื่อเลือกเรียนสาขานี้แล้วก็ต้องตั้งใจเรียนให้หนักไม่อย่างนั้นพวกเธอคิดว่าการเป็นหมอมันเป็นกันได้ไง่ายๆหรือไงศา ส, สตราจารย์เจียงชินชาเสียและนักศึกษาพวกนี้ก็แค่ยังไม่เคยผ่านพายุฝนเมื่อก่อนนึกถึงตอนที่เขายังเป็นนักศึกษาสมัยนั้นเขาแทบจะอ้อนวอนให้ครูสอนความรู้ให้มากกว่านี้ด้วยซ้ํา ลิวานเปิดดูเนื้อหาในหนังสือคร่าวๆ ค, ความรู้ส่วนใหญ่เหมือนกับตอนที่เธอเรียนมหาวิทยาลัยในศตรวรรษที่ยีสิบอ็ดแม้พายหลังจะมีการปรับปรุงตำราเรียนไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดดวงตาของาศาสตราจารย์เจียงเป็นประกายเขาชี้ไปที่หลิหวานพวกเธอหันไปดูนักศึกษาลิสิทำไมเขาถึงไม่โอดครวนเหมือนพวกเธอเอาเวลาไปจดจำความรู้ให้มากขึ้นจะดีกว่าลิวานถ้าถูกเรียกชื่ออีกครั้งจนมุมปากกระตุกการทำตัวโดดเด่นเกินไปไม่ใช่เรื่องดีแต่มันมักจะนำปัญหามาให้เสียมากกว่า ในแผนกแพทย์แผนจีนมีนักศึกษาหญิงไม่กี่คนหลี่หวานไม่ได้คิดจะหาเพื่อนกลุ่มใหญ่เพราะเธอมีตารางเวลาชีวิตของตัวเองคนที่ตามมาคือเธอถูกคนอื่นนินทาว่าเป็นคนนิสัยซันโดซอและเข้าถึงยากในตอนแรกหลี่หวานไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติจนกระทั่งเธอพบว่าไม่ว่าเธอจะปรากฏตัวในห้องเรียนหรือหอพักกลุ่มเล็กๆที่กําลังคุยกันอย่างสนุกสนานจะเงียบเสียงลงทันทีอายุจริงๆในใจของหลี่หวานมากกว่าพวกเธอมาก ดังนั้นเธอจึงครั้นจะใส่ใจกับการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ผลการเรียนของเธอดีเยี่ยมเพียงไม่กี่วันเธอก็กลายเป็นที่โปรดปรานของศาสตราจารย์เจียงในวิชาการฝังเข็มศาสตราจารย์เจียงจัดให้หลีหวันลงมือฝังเข็มกับเพื่อนนักศึกษาโดยตรงศา ส, สตราจารย์เจียงอยากให้นักศึกษาสมัครใจแต่กลับไม่มีใครกล้ายกมือเลยสักคนแต่ละคนทําตัวเหมือนนกกระทาพยายามย่อตัวให้เล็กที่สุดเพื่อไม่ให้ถูกสังเกตเห็น ขณะศาสตราจารย์เจียงเป็นคนฝังเข็มพวกเขายังกลัวนับระสาอะไรกับการให้หลีหวานเป็นคนทำถ้าไม่มีใครสมัครใจงั้นอาจารย์จะเรียกชื่อแล้วนะแววตาของาศาสตราจารย์เจียงไหววูบสายตาไปหยุดอยู่ที่เหวนโม่ซึ่งเป็นหัวหน้าห้องเธอมานี่ทำตัวเป็นแบบอย่างให้เพื่อนๆหน่อยบรรพบุรุษของเหวนโม่เรียนแพทย์แผนจีนมาโดยตลอดครอบครัวของเขาเรียกได้ว่าเป็นประกูลแพทย์แผนจีนหากไม่มีหลีหวานปรากฏตัวขึ้นมาเขาคงจะเป็น คนผู้โด่งดังที่สุดในแผนกแพทย์แผนจีนอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้รัศมีของเขากลับถูกหลีวานกโดดทับไว้อย่างเงียบๆ เ, เขาเป็นคนที่มีบุคลิกสุภาพเรียบร้อยตั้งแต่วันแรกที่เปิดเรียนเขาก็ได้รับความชื่นชมจากนักศึกษาญิงคนอื่นๆในห้องถึงขนาดมีนักศึกษาหญิงจากแผนกอื่นวิ่งมาเพื่อแอบดูเขาโดยเฉพาะศา ส, สตราจารย์ครับนี่ไม่ใช่การเห็นชีวิตคนเป็นผักปลาเหรอครับถ้าเกิดฝังเข็มจนเป็นปัญหาขึ้นมาจะทํายังไง เหวินโม ย, ยังไม่ทันได้พูดนักศึกษาหญิงที่ชื่นชมเขาก็แสดงความไม่พอใจออกมาเสียก่อนใช่ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าการรักษาเกินความจําเป็นหรือเปล่ า, าคนเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรอยู่ดีๆจะมาฝังเข็มสองสามเข็มได้ยังไงให้ศาสตราจารย์เป็นคนทําดีกว่าค้าถ้าฝังจนบาดเจ็บขึ้นมาจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่ไปตลอดชีวิตเลยนะเสียงวิพากวิจารณดังขึ้นรอบทิศทุกคนต่างรู้สึกว่าศาสตราจารย์ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องใครที่พูดแทนเหวินโมงนั้นก็ขึ้นมาแทนเขาดีไหม พอศาสตราจารย์เจียงพูดจบทุกคนที่อยู่ใต้ท่านบรรยายก็ไม่มีใครกล้าปริปากอีกมาเถอะศาสตราจารย์เจียงก็วักมือเรียกเวินโม่ส่งสัญญาณให้เขานั่งลงก่อนจะหันไปพูดกับหลี่หวานสองวันก่อนอาจารย์เพิ่งสอนเรื่องการตรวจชีพจรไปเสียวหวานเธอมาลองดูหน่อยไหมต้องตรวจชีพจรก่อนถึงจะวินิจฉัยโรคได้เพื่อที่จะได้รู้ว่าควรจะฝังเข็มรักษาตามอาการอย่างไรได้ค่ะ หลหวันวางมือเพื่อจับชีพจรอย่างมืออาชีพเวิร์นโมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าจ้วงหยวนจากการสอบเข้ามาหาวิทยาลัย ร, ระดับเมืองอย่างเธอจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าช่วงนี้มีอาการร้อนนนิดหน่อยตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับมีความเครียดมากเกินไปหลหวันพูดปัญหาออกมาหลายอย่างติดต่อกันทุกครั้งที่เธอผู้สีหน้าของเวิ์นโมก็ยิ่งดูตกใจมากขึ้นเพราะเธอผู้ถูกทั้งหมดมีอีกไหม ศา ส, สตราจารย์เจียงพยักหน้าอย่างพอใจการที่มองออกได้ถึงระดับนี้ก็นับว่ายอดเยี่ยมมากแล้วถือเป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะหัวใจของเขาทัานใดนั้นหลีหวานก็เอ่ยถึงเรื่องหัวใจหัวใจของเวินโม่กระตุกกูอีกครั้งคงไม่ใช่หรอกนะแม้แต่เรื่องนี้เธอก็ตรวจชีพจรจนรู้เลยเหรอหัวใจของเธอไม่ค่อยดีใช่ไหมหลีหวานถามเวินโม่ศาสตราจารย์เจียงไม่เห็นเขาตอบสนองจึงเร่งเร้าให้ตอบเบาๆ นักศึกษาลีถามอะไรเธอก็ตอบไปสิคิเสียว่าเป็นการซักประวัติง่ายๆครับเหวินโมตอบรับด้วยน้ำเสียงแข็งทื่อเป็นโรคหัวใจแต่กําเนิดนิดหน่อยครับไม่เป็นไรมากหลอดเลือดมีการอุดตันนิดหน่อยฉันแนะนําว่าเธอควรไปที่โรงพยาบาลเพื่อเอ็กซเรย์ตรวจดูให้ละเอียดจะดีกว่านะแพทย์แผนจีนไม่ใช่ผู้วิเศษที่รักษาได้ทุกอย่างแน่นอนว่าแพทย์แผนปัจจุบันก็เช่นกันบางครั้งจำเป็นต้องใช้ทั้งสองศาสตร์ร่วมกันถึงจะพบแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพต่างออกไป เป็นไปไม่ได้เหวินโม่ปฏิเสธสิ่งที่หลีหวนันพูดทันทีเขาไม่เชื่อปัญหาหัวใจของผมผมกินยาตามเวลามาตลอดเป็นไปไม่ได้ที่จะมีอาการหลอดเลือดอุดตันอย่าพูดจะเลอะเอ็ตอนนี้เธอรู้สึกปวดไม่ที่หลังบ่อยๆหรือเปล่าหรือไม่ก็ปวดฟันหลีหวันไม่รีบร้อนที่จะโต้แยง้งแต่ถามกลับไปตรงๆใช่แต่เมื่อกี้เธอบอกว่าเป็นอาการร้อนเนี่ไม่ใช่เหรอส่วนเรื่องปวดหลังอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ฉันนอนเตียงแข็งเกินไปเลยทําให้ไม่สบายตัวก็ได้ ไปตรวจที่โรงพยาบาลจะดีที่สุดยาที่เธอทานอยู่ตอนนี้คงทำได้แค่ช่วยบรรเทาอาการเท่านั้นในกรณีของเธอถ้าใช้วิธีการผ่าตัดรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันผลลับอาจจะดีกว่านะหลิวหว่านกล่าวต่อเธอควรจะรู้หลักการที่ว่ายาคือพิษสามส่วนไม่ว่าจะเป็นยาจีนหรือยาแผนปัจจุบันถ้าทานมากเกินไปก็ไม่ดีทั้งนั้นเหวินโมยังคงไม่เชื่อมุมปากของเขาประดับด้วยรอยยิ้มเ ย, ยาะหยันฉันรู้ว่าเธอเรียนเก่งแต่ถ้าเธอถึงขั้นวินิจฉัยโรคได้จริงก็คงไม่ต้องมาเรียนที่นี่แล้ว หลีหวานไม่พูดอะไรศาสตราจารย์เจียงจึงยกมือขึ้นมาตรวจชีพจรเองครู่หนึ่งสีหน้าของศาสตราจารย์เจียงก็เริ่มเคร่งขรึมขึ้นเรื่อยๆทาให้เหวินโมกลับมาตึงเครียดอีกครั้งโบราณว่าไว้ไม่กลัวหมอยิ้มแย้มแต่กลัวหมอทําหน้าเครียดเหวินโม่กลืนน้ําลายอย่างยากลําบากศาสตราจารย์ครับศาสตราจารย์เจียงละมือออกเขาไม่ได้สนใจเหวินโม่เป็นคนแรกแต่กลับหันไปมองหลีหวานบอกความจริงอาจารย์มาเธอเคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนใช่ไหม